กราบขอโอกาสอาจารย์มัฒนชัยกราบขอโอกาสอาจารย์โน้ตก็ขอโอกาสพวกเราเพื่อนสาธมิกเจริญพรแม่ชีเนาะแล้วก็พวกเรายัตโยมนักเรียนทั้งหลายแหละก็สืบเนื่องจากเมื่อเช้าเนาะอาจารย์โน้ตทาทนก็ได้เล่าเรื่องให้พวกเราฟังว่านักบวชใช่ไหมครับ ไปติดเกาะไม่ใช่ไปติดเกาะไปมําเพนเพียนอยู่บนเกาะปรากฏว่าออกจากเกาะฮออกจากเกาะได้ยังไงออกจากเกาะด้วยอะไรพามาออกจากเกาะมหาอาจารย์อะไรพามาครับอะไรพามานะตอบไปฝั่งไหนจําได้ไหม อะไรพามาความอึดอัดขัดเคืองหรือเปล่าใช่มใช่ไหมพออ่านพออ่านจดหมายไา่ลมเสร็จจุ๊บปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับก็ขอนั่งเรือมาเลยไม่ใช่เรือพามาถึงฝั่งนะแต่ว่าอารมณ์ที่อึดอัดขัดเคืองใช่ไหมอารมณ์ที่อึดอัดขัดเคืองก็พามาหาอาจารย์ เสร็จแล้วก็อารมณ์ที่อึดอัดกัดเคลืองเนี่ยก็ยังไม่จบลงนะใช่ไหมครับนะใช่ไหมครับก็พามาถึงที่มาเจอหน้าอาจารย์แล้วก็ยังอารมณ์นั้นก็ยังไม่หายยังไม่ดับไปอีกอย่างเงี้ยจนกระทั่งฟังใช่ไหมครับอาจารย์บอกให้ฟังอารมณ์ถึงได้ดับไปอย่างเงี้ยมีไหมพวกเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันพาไป เคยสังเกตอย่างนั้นหรือเปล่ามีไหมอารมณ์อยากไปเที่ยวใช่ไหมครับก็พาไปเที่ยวอย่างงี้นะใช่ไหมครับอารมณ์เบื่อใช่ไหมครับก็ชวนให้เราเลิกอารมณ์อยากก็พาให้เราเลิกไอ้พาให้เราทำอะไรเงี้ยเนียเราลองสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สังเกตตัวเราเองเนี่ยมันมันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอารมณ์เยอะแยะไปหมดเลยที่เกิดขึ้นกับตัวเรา แล้วก็อารมณ์ต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราเกิดไม่ระวังนะครับอารมณ์พวกนั้นอะมันจะพาเราพาเราทําานู้นพาเราทําำนี้นะครับเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะก็เรียกว่าเป็นไปตามอารมณ์เคยไหมมีคนเขาว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าใช่ไหมครับเราเดี๋ยวก็ทําำนู้นด้วยอารมณ์เดี๋ยวก็ทํานี้ด้วยอารมณ์ อารมณ์โมโหใช่ไหมครับเราก็ทําไปอารมณ์อึดอัดขัดเครื่องก็ทําอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ชอบอารมณ์ชังยแยกไปหมดเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าถ้าเรานะครับได้ลองลองหัดเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าหัดลองรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวแบบนี้นะครับลองหัดรู้สึกดูลงมาที่ใจเราเนี่ยตอนนี้ใจเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าตอนนี้กายเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเมื่อเช้าพระอาจารย์โน้นก็เล่าให้ฟังถึงเด็กอีกคนนึงใช่ไหมเด็กอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขากลัวโป๊ะเหรือที่มันยกไปยกมาใช่ไหมครับยกไปยกมายกไปยกมาใช่ไหมครับก็เรียกว่าเขาเข้าไปกลัวไออาการโยกของตรงนั้นใช่ไหมครับน้องมันก็คงน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเหลือมันใช่ไหมครับโป๊ะเหรือมันยกไปยกมาคนเดินไปเดินมาก็โยบย่ามโยบย่า เด็กคนนั้นตัวเล็กๆนะเขก็กลัวอั น, นี้พอคุณพ่อเขาอ่ะใช่ไหมครับบอกว่าโอ้กลัวนี่มันเป็นยังไงนะใช่ไหมครับอาการกายเป็นยังไงเนี่ยอะไรที่มาสังเกตอาการกายของเขาตาเขาหรือเปล่าอะไรครับอะไรที่มาสังเกตอาการกายของเขาฮะอะไรเอ่ยใช่ไหมครับ จิตใจหรือความรู้สึกตัวใช่ครับก็เป็นตัวที่มาสังเกตใช่ครับเด็กก็รู้นะว่าโอ้นี่ตัวสัน่นรู้นะว่าอ้อนี่หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมครับอย่างนั้นรู้สึกได้ไหมพวกเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับแต่ว่ามันเป็นพิเศษอย่างหนึ่งนะพอเวลาที่เรารู้สึกนะใช่ไหมครับสิ่งที่มาสังเกตนั่นก็คือจิตใจจิตใจที่มาคอยสังเกตนะครับอย่างนี้ ในขณะที่จิตใจที่มาสังเกตเนี่ยจิตใจมันยังยังจะไปอยู่กับความกลัวอยู่ไหม <c oughs> ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าจิตใจมันทํางานได้ทีละอย่างนะครับใช่ไหมครับเหมือนกับมือเราเนาะกําลังใช่ไหมครับกําลังจับมีดอยู่ใช่ไหมครับเราจะจับขวานอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางมีดใช่ไหมครับแล้วค่อยจับขวานอย่างนี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับมาพอเวลาที่จิตใจ นะครับของเด็กคนนั้นนะครับมาสังเกตอาการของกายเนี่ยใช่ไหมครับบางคอยรู้สึกว่าเอ๊ะอาการของกายเนี่ยเป็นยังไงนะใช่ไหมครับนั่นนั่นคือความกลัวก็หลุดไปเพราะเนื่องจากว่าจิตใจก็ปล่อยความกลัวไปนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าเรานะครับเวลาที่เราหัดรู้สึกตัวเราก็หัดรู้สึกตัวไปที่กายก็ได้หัดรู้สึกตัวไปที่ใจก็ได้เหมือนกัน นะครับครู้สึกตัวก็คือแบบนี้เนาะอย่างนั้นมีไหมพวกเราแบบว่า <c ười> เคยแบบว่าเคยหลงไปค้ำหมันคํำคืน <c ười> ที่นี่นะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีพระบวชใหม่อยู่รูปหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็พามาบวชนะครับปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ก็เรียกว่าไม่ ไม่สมัครใจไม่สมัครใจจะบวชเลยก็เรียกว่าบวชอย่างเสียไม่ได้บวชอยู่เจ็ดวันครับใช่ไหมครับเจ็ดใจที่อึดอัดขัดเคืองเนี่ยดำรงอยู่ตลอดเจ็ดวัน <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าคือเนื่องจากว่าคุณแม่คุณแม่คุณพ่อก็พามาฝากหลวงพ่อไว้เนาะ หลวงพ่อก็ให้อยู่ใกล้ๆกุดใกล้ๆ ก, ก, ก, กันตอนเช้านะครับพอฉันเช้าเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็นั่งนั่งนะครับอยู่ที่กุฏินะครับนั่งอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งหน้าบูดหน้าเบียวอยู่นะครับจนกระทั่งถึงเพนนะครับก็เรียกให้ฉันเพนก็มาฉันเพนฉันเพนเสร็จก็กลับไปนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับหลวงพ่อก็เห็นเห็นว่าโอ้นี้ คงมีอารมณ์อื่นอัดกัดเครื่องนะหลวงพ่อก็บอกบอกว่าโ อ, อ้เนี่ยแบบว่ามีหลวงลวงตากลมเนาะลวงตากลมอายุมากๆเนี่ยท่านน่ารักนะท่านคุยสนุกนะไปคุยกับท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นคือพระที่บวชหนเป็นรูปเป็นคนอีสานนะครับก็บอกว่าเนี่ยแบบว่าไปคุยกับลวงตาลวงตาก็คุยภาษาอีสานมีเรื่องสนุกเยอะๆแยะๆเลๆอะไรเงี้ยไปไหม แล้วก็พลานุษยนั้นก็ใส่หัวไม่ไปครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ละปรากฏว่าท่านทําอย่างนั้นตลอดเจ็ดวันนะครับที่บวชทําอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจนกระทั่งศึกไปเนี่ยเราดูนะคือใช่ไหมครับเพราะอารมณ์นะครับที่ไม่อยากใช่ไหมครับอารมณ์ที่ไม่อยาก ไม่อยากทําไม่อยากบวชอะไรอย่างเงี้ยพอมาครอบคลองจิตใจปุ๊บเนี่ยแล้วพอเราไม่ทันสังเกตนะครับก็เรียกว่าท่านก็หลงไปกับอารมณ์นั้นนะครับอึดอัดขัดเคืองไปทั้งเจ็ดวันหรือว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าพอศึกไปแล้วเนี่ยจะอย่างอึดอัดขัดเคืองคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือเปล่าแต่ว่านั่นคือปรากฏว่าเจ็ดวันน่ยที่ท่านมาบวชเนี่ยก็เรียกว่าเสียประโยชน์ไปทั้งหมดเลยเพระาะว่านั่นคือ นั่งโมโหทั้งวันเนาะใช่ไหมครับนั่งโมโหทั้งวันไม่รู้จะ ก, ก็เรียกว่าทานข้าวอร่อยหรือเปล่าพราะว่านั่นคือเกิดโมโหใช่ไหมครับเวลาทานข้าวก็คงไม่อร่อยนะหรือเวลานอนหลับเนี่ยนะครับก็คงจะยังแบบบ้าอาจจะนอนหลับไปพร้อมกับความโมโหด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนั่นนี่คือตรงนี้นะครับว่าพวกเราเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเนื่องจากบ้านจิตใจของเรานะครับเรา อย่างที่พระจันโนตพูดเมื่อเช้าใช่ไหมครับบอกว่าเรามาฝึกนะครับมาฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยเราฝึกแบบนี้นะครับคือจิตใจของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับเหมือนกับว่าเราฝึกในทางหนึ่งก็คือฝึกตามใจชอบเนี่ยนะครับอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไม่ไม่ทันรู้ตัวเองนะว่า น, นี่เราฝึกกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่านั่นคือจิตใจเนี่ยก็เสพสิ่งที่เราคิกว่าใช่ไหมครับ เขาอยากอะไรเราก็ป้อนให้เขาอยากอะไรเราก็ป้อนให้ตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยพวกเราอยุสิบกว่าปีเนี่ยเคยไหมมีขัดใจตัวเองใช่ไหมครับหลวงพ่อว่าอาจจะมีไม่กี่ครั้งแต่วันนั่นคือเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็ให้ท้ายเนาะให้ท้ายจิตใจเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือจิตใจเราก็เหมือนกับเขาก็เป็นใหญ่ขึ้นเป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับ เขาก็อาจจะออกคําสั่งเนาะใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่ ม, าชามืชนน้าวิจาร์โน้ตมาออกคําสั่งให้เรากระโดดตึกอะใช่ไหมครับอย่างนะใช่ไหมครับพนักงานไซเบนอีเลเคนนั้นเนี่ยมีใครสั่งเขาได้ไหมบอกว่าให้กระโดดตึกก็มีจิตใจใเขาใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราทําตามใจชอบตลอดเวลาใจมันเป็นใหญ่เนาะใจมันเป็นใหญ่มากๆแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีจิตใจที่ไม่ได้ฝึกหรือว่าถูกฝึกไม่ได้ฝึกให้ดีเนาะแต่ฝึกให้แบบว่าทําเรื่องกอกุศลเนี่ยมาตลอดเนี่ยใช่ไหมครับเราเองเราก็เดือดเนื้อล้อนใจกับจิตใจอันนี้ตลอดเพราะเนื่องจากว่าร่างกายนี้นะครับใช่ไหมครับเป็นร่างกายที่ไม่สามารถทําอะไรได้เนาะใช่ไหมครับอย่างนั้นถ้าไม่มีก็เรียกว่าไม่มีจิตใจ เหมือนกับหมูหมากาไก่นะที่ถูกใช่ไหมครับที่ถูกลดชนข้างถนนเราก็จะเห็นนะครับว่าล่างนะครับมันก็นอนแข็งๆทื่อๆอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยนะครับถ้าเรานึกถึงนะครับว่าอ๋อนี่นักบวชใช่ไหมครับที่อยู่บนเกาะเนี่ยนะจิตใจเนี่ยใช่ไหมที่อึดอัดขัดเคืองนะก็พาไปหาอาจารย์ใช่ไหมครับอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่านั่นคือให้เราได้เห็นนะว่า การกรับกรเยื่นเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนะครับเป็นเพราะจิตใจนะครับแต่ว่าจิตใจที่ขยับกรเยื่นเคลื่อนไหวที่ที่สั่งให้ร่างกายขยับกรเยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นจิตใจแบบไหนถ้าเป็นจิตใจนะครับที่ดีนะครับเราก็ได้ทําเรื่องมงคลใช่ไหมครับตั้งใจดีใช่ไหมก็ได้ทําเรื่องมงคลเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พระธนชัยท่านพานะครับคําว่ามงคลก็คือทําเรื่องดีๆ ใช่มครับทำเรื่องดีๆคือเราเนี่ยจำเป็นต้องจำแนกนะครับบางทีเราเรียนหนังสือกันนะครับมันมีการผิดการถูกเนาะ <c oughs> ในเรื่องของการเรียนหนังสือใช่ไหมครับมีตอบผิดตอบถูกะอะไรต่างๆนานาแล่านั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของวิชาแต่ว่าในทางโลกนะครับในการใช้ชีวิตนะครับมันจะมีเรื่องที่เรียกว่า เ, เรื่องกุศลกับเรื่องอกุศล2อย่างนะครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยร่างกายนี้จะทํากุศลได้ก็ต่อเมื่อจิตใจนี้เป็นกุศลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจิตใจเป็นอกุศลใช่ไหมครับเขาก็สั่งให้ร่างกายนี้ทําเรื่องอกุศลเมื่อเย็นใช่ไหมครับพระจันทร์มัทนชัยบอกว่าในผลคนหนึ่งนะครับใช่ไหมครับตายแล้วเกิดมาเป็นหมาใช่ไหมครับอย่างนั้นอยู่เป็นคนดีดเนาะ ตายแล้วก็เกิดมาเป็นหมาเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่ทํากุศลไม่พอถูกไหมครับถ้าทํากุศลพอนะจะเกิดมาเป็นหมาไหมไม่ใช่ <c oughs> ทากุศลไม่พอครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในขณะที่พวกเราใช่ไหมครับมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็คือหัดนะครับหัดให้จิตใจของเราเนี่ยมีสตินะครับมีสติ ที่จะเตือนตัวเองทักท้วงตัวเองนะครับอย่างนั้นในหัวของเรานะครับมันมีนะครับมีการพูดคุยนะครับอยู่กับตัวเองมีคําถามมีคําตอบเยะๆไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราลองสังเกตนะครับนะครับสิ่งที่พูดพูดอยู่ในหัวเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องลบๆนะลบมากหรือลบน้อยนะครับอย่างนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะครับใช่ไหมครับอย่างเมื่อก่อนเนาะ หลวงพ่อก็มีพวกเพื่อนๆใช่ไหมครับเวลาที่เวลาที่เข้ามาโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะคุยกันนะครับบอกว่าโ oh, อ้เฮ้ยๆรูไอ้รูลัวที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นรั้วต้นไม้นะครับมันมีรูให้เรารอดได้อย่างเงี้ย <laughs> จะลอดไปทําอะไรก็คือรอดหลบครูใช่ไหมครับออกไปเที่ยวอย่างนี้นะโร <laughs> งเรียนหลวงพ่ออยู่อยู่แถวแถวศรีลมเนาะ มันก็จะใกล้กับลงหนังลงละครอะยรเยอะๆแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับก็มีเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับคือมันก็จะมีสิ่งที่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดความอยากขึ้นมานะครับมีสิ่งที่ชวนนะครับชวนนะครับให้เราเนี้ยแบบว่าเฉยไฉเอกไปนอกทางนั <c> ่น <oughs> นั่นคือนี่นี่คือสิ่งที่ก็เรียกว่าถ้าเราลองสังเกตเนาะ เราลองสังเกตการสังเกตเนี่ยครับมันจะเป็นสิ่งที่เราลองนะครับมีสตินะครับคอยรู้สึกนะครับไปกับกายกับใจเราเนี่ยที่บอกว่ารู้สึกตัวการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวเนี่ยก็คือรู้สึกลงไปที่กายก็ได้รู้สึกลงไปที่ใจก็ได้เวลาที่เราอยากอะไรสักอย่างเนาะหัวใจเราจะเต้นแรงเคยสังเกตไหมเวลาที่เรากลัวอะไรสักอย่างหัวใจก็เต้นแรงเวลาที่เราโกรธอะไรสักอย่างก็หัวใจก็เต้นแรง นะครับเวลาที่เรานะครับอยากได้อะไรสักอย่างนะมือเราสั่นนะมือไม้สัน่นหัวใจเต้นแรงยังไม่พอนะครับยังมือไม้สั่นอีกต่างหากเวลาที่เราก็เรียกว่าเวลาโกรธเวลาอะไรก็ตามอย่างเงี้ยร่างกายนะครับเขาจะเป็นก็เรียกว่ามีสัญญาณเตือนภัยนะครับให้เราทราบแต่ว่าเราเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็น นะครับแต่หลวงพ่อมั่นใจเนอะว่าพวกเราเนี่ยใช่ไหมครับเคยเห็นเคยเห็นแบบนี้แน่นอนเวลาโมโหใช่ไหมครับมือสัน่นปากคล อ, อ, อนสั่นต่ต่างนานตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเรานะครับทั้งเคยคอยรู้จักก็เรียกว่าสังเกตหรือคอยรู้รู้จักคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นอาการของกายเนี่ยนะครับแล้วเราหลงเหลือมองไปที่อาการของใจนะครับ บางทีเนาะเราจะได้เห็นว่าเออนี่ใช่ไหมครับจิตใจที่กําลังถูกความโมโหเขาครอบงําเนี่ยบางทีความโมโหตรงนั้นก็ลดอุณหภูมิลงหรือไม่มาทีก็หายไปนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าความรู้สึกตัวที่เรากําลังหัดกันนะครับกําลังหัดกันหัดเพื่อเหตุนี้นะครับหัดเพื่อก็เรียกว่าสยบสยบความอยากนะครับสยบ สิ่งที่ก็เรียกว่าอากุศลที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเรานะครับจิตใจของเราเนี่ยนะครับพวกเราก็เคยรู้นะบางทีเราก็ใจดีใช่ไหมครับบางทีก็จะมีคำพูดบอกว่าดีใจหายลายก็้ายเหลืออย่างเงี้ยจะเป็นคําอย่างนั้นนั่นคือตรงนี้บางทีจิตใจเราก็ดีดีนะใช่หครับดีอย่างเหลือเชื่อบางทีใจเราก็ดำ ใช่มับันทีใจเราก็ร้อนบันดีใจเราก็เย็นอย่างเงี้ยเราเคยรู้สึกแบบนี้อยู่เหครับเราเคยสัมผัสเรื่องแบบนี้อยู่แต่ว่านั่นคือการรู้เป็นครั้งครังรู้เป็นครั้งครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเรารู้เป็นระบบนะครับโดยการที่เราคอยรู้สึกตัวแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะว่าเอ้าจ็หมครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองใจเราเปลี่ยนไปแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองใจเราเปลี่ยนไปแล้ว แป๊บเดียวเท่านั้นเองใจเราเปลี่ยนแล้วบางทีไม่ถึงนาทีนะครับใจเราเปลี่ยนไปหลายครั้งพอเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับบางทีเราก็ว่าคนอื่นนะทำไมคนอื่นนี่ใจคอไม่มั่นคงเลยใช่ไหมครับทําไมแบบว่าวันก่อนนี้บอกอย่างนี้วันนี้บอกอีกอย่างหนึ่งหรืออะไรต่างๆนาน า, นานใช่ไหมครับเราก็ไปว่าคนอื่นเขาแต่ว่าจริงๆพอเราสังเกตตัวเราเองเนี่ยคอยรู้สึกตัวดูเนี่ย ปรากฏโอ้มัร น, น, นึ่งบรรหนึ่งนะใจเราเปลี่ยนไ ป, ไปเปลี่ยนไ ป, ไปเปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยจะบอกนะครับบอกสิ่งที่เราเนี่ยนึกไม่ถึงนะครับเรานึกไม่ถึงเราไม่เคยสังเกตเราไม่เคยสังเกตเราก็นึกไม่ถึงแต่ที่สําคัญก็คือเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับสังเกตลงไปสังเกตลงไปเนี่ย ความคิดนะครับมันจะมีความคิดนะครับอยู่2 อ, อย่างความคิดอย่างหนึ่งนะครับเป็นความคิดที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจหลวงพ่อเนี่ยอย่างแบบบ้าสมัยก่อนนะครับนึกถึงตัวเองเวลาสอบนะยิ่งเวลาเลขเนี่ยครับเวลาสอบเลขเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็ค่อนข้างค่อนข้างแน่ใจตัวเองนะว่าเราเราค่อนข้างทํา ทำพวกนี้ได้คล่องนะครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือมันเหมือนกับมันก็มีความมั่นใจนะครับมีความนั่นใจในเวลาสอบแต่ทํานองเดียวกันเนี่ยในขณะที่เวลาที่เรากําลังตั้งใจนะครับทำทำเลขนะครับทาข้อสอบอยูเนี่ยมันก็มีความมันมีความคิดอีกบางอย่างเนาะบางทีก็มีความคิดที่บอกบอกว่าแบบว่าเราแบบว่าทํำเร็ว ทำเร็วๆใช่ไหมครับถ้าทําเร็วๆแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเราเสร็จก่อนใช่ไหมครับเราก็ออกนอกห้องสอบก่อนใช่ไหมครับเราก็จะเก่ง <c oughs> มันก็มีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมาใช่ไหมครับพอมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมาใช่ไหมครับการทําเลขสอบของเราก็ขาดความรอบคอบเพราะว่ามันมีความรีบร้อนเนี่ยเข้ามากําหนดใช่ไหมครับดังนั้นนะปรากฏว่าพอเราวางดินสอเสร็จปุ๊บนะครับเดินพ้นห้องไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บ เห็นเลยครับมาโอ้เลขนะครับเมื่อกี้ข้อ น, นั้นเราก็ทําแบบว่าพลาดไปนะแต่ว่านั่นคือมันก็เป็นเรื่องที่เรานะครับเป็นแบบนี้บ่อยๆแต่ว่าเราก็ไม่ทันสังเกตนะว่าอืมมันจะมีความคิดแบบนี้นะครับความคิดที่เป็นความคิดดีๆนะครับที่ตั้งใจแล้วก็จะมีความคิด อีกอย่างอื่นที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยแทรกเข้ามาถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะเหมือนกับว่าเขวไปง่ายๆนะครับหลายครั้งนะครับที่หลวงพ่อก็ดูหนังสือสอบอยู่เนาะใช่ไหมครับก็มีเพื่อนนะครับมาชวนเฮ้ยไปดูหนังกันไหมหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับหนังเรื่องนี้สนุกนะาในเดยะตาัดานามีบัตฟรีมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเอาพอเราได้ยินแบบนี้ใช่ไหมครับ เราก็เควแล้วเนาะเจมิการอย่างนั้นออมีบัตรฟรีด้วยเจมิการวางหนังสือง่ายๆแล้วก็ไปดูหนังแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันมีความคิดนะครับที่เราตั้งใจคิดกับความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดหลวงพ่อคำเขียนนะครับบอกบอกว่าความคิดนะครับที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยก็เรียกว่ามันลักคิด มันลักคิดพวกเราลองสังเกตดูเวลาที่พวกเราตั้งใจรู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> กำลังตั้งใจนะครับคอยรู้สึกตัวอยู่เมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้เราคอยตั้งใจตั้งใจแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมีความคิดอื่นแอบเข้ามาละใช่ไหมครับอย่าง น, นี้มีความคิดสงสัยมัางมีความคิดเอ๊ะทไมพระอาจารย์สั่งให้ทาแบบนี้อะไรต่างๆนานาหล่านั้นความคิดพวกเนี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นมาแล้วลองสังเกตดูนะครับ เวลาที่เราเริ่มนะครับยกมือสร้างจังหวะเวลาที่เราเริ่มตั้งใจจงกรมเนี่ยความคิดพวกนี้จะจู่โจมเร็วมากมากนะลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูแล้วบางทีเราก็ไหลไปกับความคิดพวกนี้พอมีความคิดพวกนี้ปุ๊บอย่างอันที่เช่นความสงสัยใช่ไหมครับพอเวลาที่สงสัยว่าเอ๊ะพระอาจารย์ทําไมทําอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเดินมาถามพระอาจารย์ไหมไม่เดินใช่ไหมครับทำยังไงคิดหาคําตอบเอาเองใช่ไหมครับ อ๋อบ้าอาจารย์คงทําแบบนี้เพราะแบบนี้นั่นเองอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อความคิดของเราด้วยใช่ไหมครับอย่างนั้นหลวงพ่อก็สมัยก่อนก็นแบบนี้อยู่เป็นประจํานะครับใช่ไหมครับบางทีเราก็ถามเพื่อนนะมองทําไมพอเพื่อนตอบว่ามองอย่างนี้ไม่ใช่อะ่ะคงมองหาเรื่องแบบนั้นแบบนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแบบเนี้ยเราก็เชื่อความคิดของตัวเอง และไอ้ความคิดของตัวเองแบบเนี้ยครับที่เราเรียกว่ามันชวนให้เราเผวอไปอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่นักคิดนะครับเพราะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยให้เราระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีเวลาที่เราเนี้ยนะครับได้รับนะครับคำบอกเล่านะครับบอกว่าใช่ไหมครับพระจานทร์มัาชัยพาเดินจงกรมตอนเช้าเนี่ยเห็นต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้เห็นภาพต่างๆนาน า, นานเหล่านี้เนี่ย เรากลับมารู้สึกตัวได้ไหม <c oughs> การกลับมารู้สึกตัวได้ไหมเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงเมื่อจิตใจที่เรากําลังคิดนูน่นคิดนี่นะครับที่นอกไปจากความตั้งใจที่จะจมกลมเนี่ยใช่ไหมครับพอเราเหมือนกับลองสังเกตดูเนาะลองสังเกตพรุ่งนี้มาหรือนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมรู้สึกตัวครับลืมนะครับการก้าวของเราการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเราลืมไป ลืมไปนานเท่าไหร่ก็เท่าที่เราโอ๊ะใช่ไหมครับเราหลงไปคิดนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกลับมารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับตรงเนี้ยเราลองดูเนาะชีวิตนะครับของหลวงพ่อนะเสียเวลาไปกับเรื่องพวกเนี้ยมากๆครับอย่างยิ่งนะครับต้องเรียกว่าเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไปอย่างยิ่งอย่งสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อก็ใช่ไหมครับเวลาเดียน เรียนอยู่มหาหลัยก็จะมีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์เนาะโปรเจกต์ project ครั้งหนึ่งก็จะใช้เวลาเดือนหนึ่งใช่ไหมครับส่งงานปรากฏว่าพอเราอ่านโปรเจกต์นะครับอ่านโอ้คุณครูให้ทําอะไรต่างๆ น, นานาเหล่านี้เราก็อ่านเสร็จนะครับเราก็มีภาพใช่ไหมเราก็มีภาพาคร่าวๆว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ยคืออะไร <c oughs> ปรากฏว่ายังไม่ลงมือครับ พอคิดว่าเดี๋ยวมีไอเดียดีๆจะมีไอเดียดีๆเนี่ยมาปรากฏว่าทั้งเดือนเนี่ครับประมาณสัก27วันเนี่ยจหลวงพ่อก็จะจมอยู่กับไอเดียดีๆนะอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอเรารอแบบว่าใช่ไหมครับไอเดียต่างๆที่มันจะผุดขึ้นมาแบบเนี้ยนะอย่างนั้นปรากฏมาท้ายที่สุดนะครับ27วันผ่านไปนะครับ ท้ายสุดเราก็จะเร่งส่งงานครูในอีก2 ส, สัมวันสุดท้ายนะครับไม่ได้กินไม่ได้นอนกันจริงๆก็กินนะครับแต่ว่าไม่ได้นอนเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็สองสัมวันนะครับที่เรียกว่าทำงานข้ามคืนกันนะครับปร mm hmm. ากฏว่างานจริงๆก็เสร็จภายในเวลา3วันแต่อีก27บวันนะครับหายไปไหนหายไปกับความคิดนะครับที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับความคิดที่เ็าเรียกว่ามันลักคิดเข้ามา แต่ว่าณมันนั้นเนี่ยใช่ไหมครับหลวงพ่อก็เรียกเขาว่าจินตนาการนะครับหลวงพ่อไม่สรุปบทเรียนนะครับไม่สรุปบทเรียนก็อยู่กับอย่างนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างเราใช่ไหมครับก็ต้องคิดเรื่องใหม่ๆเนาะเดี๋ยวก็จะต้องออกแบบอันนั้นเดี๋ยวจะต้องออกแบบอันนี้เรงต้นนานานหลังนี้ใช่ไหมครับวันนั้นนั่นคือตรงนี้เราก็เหมือนกับว่าเราต้องการเนาะเราต้องการจินตนาการเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่านั่นคือท้ายที่สุดเนี่ย ไอ้จินตนาการที่บ้านเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยหลวงพ่อก็นะครับก็มีความรู้สึกว่าโอ้เจอหลวงพ่อกำเขียนเนาะหลวงพ่อเขียนท่านก็ใช่ไหมครับท่านก็ถามเนาะเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมครับเราเคยอ่านฟรีฟรีไหมใช่ไหมครับอ่านฟรีฟรีหมายความว่าอะไรใช่ไหมครับหมายความว่าอ่านหนังสือไปแล้วนะครับทั้งย่อหน้าหรือทั้งหน้านั้นเนี่ยจับใจความไม่ได้ก็ต้องมาอ่านซ้ําใหม่ ใช่ไหมครับอ่านซ้ำใหม่ทั้งทั้งที่เรื่องราวที่เราอ่านก็เป็นภาษาของเราเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่านั่นคือในขณะที่เราอ่านไปสองสาคำใช่ไหมครับเราก็มีความคิดผุดขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ตามไปตามความคิดนั้นนะครับตาก็อ่านหนังสือไปก็สะกดตัวหนังสือถูกต้องไปเนาะแต่ความหมายนะครับที่ต่อเชื่อมกันเราลืมไป นั่นนั่คือผจอบเราก็ต้องกลับมานั่งอ่านหม่กลับมานั่งอ่านใหม่เสียเวลาแบบนี้พอหลวงพ่อขมเขียนหลวงปู่ขมเขียนนะครับท่านท่านบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้เราก็ได้เหมือนกับว่าได้รู้สึกนะครับว่าอืชีวิตเราเยอยู่กับก็เรียกว่าความหลงไปคิดเนี่ยเยอะพอเวลาที่เราเริ่มนะครับหัดกรรมาฐานหัดที่จะคอยรู้สึกตัวเนี่ยเราจะยิ่งเห็นนะครับเห็นอย่างที่บอกหบองว่า พอเวลาที่เราเริ่มตั้งใจนะครับเริ่มตั้งใจยกมือสร้างจังหวะเริ่มตั้งใจเดินจงกรมเนี่ยมันจะมีความมีความคิดอะไรต่างๆนานาจู่โจมเข้ามาเยอะแยะไมหมดนั่นนั่นคือตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่นะครับก็หลวงพ่อก็เหมือนกับอยากให้พวกเราเนาะเหมือนกับว่ากำลังเหมือนกับว่ากําลังเรียนรู้นะครับกําลังเรียนรู้เรื่องกรรมฐานกําลังเรียนรู้เรื่องการเจริญสตินะครับเจริญเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรม ทั้งหมดก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเราจะเรียกตรงไหนก็ตามนะครับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับว่าเราหัดรู้สึกตัวรู้สึกลงไปที่กายรู้สึกลงไปที่ใจการมีสตินะครับก็คือการที่เราเนี่ยคอยนะครับคอยรู้สึกตัวไปเป็นครัง้งครั้งเป็นครัง้งครั้งใช่ไหมครับรู้สึกตัวครั้งหนึ่งนะครับจะรู้ว่าเราหลงไปคิดอันนั้นก็นะครับเราก็ได้ใช้สติไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับรู้ว่าอ๋อนี่นะ ใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายนะอั น, นี้ก็รู้เป็นละครหนึ่งนั่นคือการใช้สติบ่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เรียกว่าเจริญสติกันเรามีสติกันอยู่ทุกคนนะครับมีมีกันอยู่ทุกคนแต่ว่านั่นคือเราเคยใช้สักแค่ไหนใช่ไหมคําบตรเนี้ยหรื อ, อว่าเราถูกอารมณ์นะครับที่มันเข้ามาครอบงําจิตใจเราเนี่ยพาเราไปไหนมาไหนใช่ไหมครัอย่างนั้นหลวงพ่อก็เมื่อก่อนไม่เคยสังเกตไงครับ แต่ไปเวลามันนึกย้อนไปนะครับบางทีเนาะไปหาเขาเรียกว่าไปหาอาหารเย็นนะครับอยู่กรุงเทพเนี่ยเนาะหาอาหารเย็นกินกันที่ไหนนู่นสมุทรสาครนะครับสมัยก่อนสมุทรสาครไม่ได้ว่ามีทางด่วนแบบนี้ใกล้ๆนะไม่ใช่โอ้ขับรถไปเป็นสองสามชั่วโมงนะอย่างเงี้ยครับกว่าจะใช่ไหมครับก็จะได้กินข้าวเย็นเสร็จก็จะกลับมาถึงบ้านก็เป็นเที่ยงคืนนูน่นใช่ไหมครับแต่เนี้ย <laughs> เขาเรียกบ้านนั่นคือ อารมณ์อยากใช่ไหมครับอารมณ์อยากก็พาไปเหมือนกับใช่ไหมครับพระใช่ไหมครับก็ถูกอารมณ์ใช่ไหมครับที่อื่นอัดขัดข้องพาไปไหนมาไหนเราไม่เคยสังเกตนะครับเราไม่เคยสังเกตนั่นนึงคือตรงนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยหักนะครับอาศัยความเคลื่อนไหวนะครับให้เราคอยกลับมารู้สึกตัวห <c oughs> ลวงพ่ะเทียนนะครับท่านก็หลวงพ่ะเทียน เป็นอาจารย์ของหลวง ป, ปู่คำเขียนอีกทีหนึ่งนะครับท่านก็สังเกตนะครับเรื่องนี้นะครับจากการที่ท่านเองท่านได้เหมือนกับว่าท่านก็จงกรมเดินจงกรมนะครับสร้างจังหวะเหมือนเราแบบนี้ละนะครับแต่ท่านก็สังเกตว่าในขณะที่ท่านกำลังตั้งใจเนี่ยมันมีใครเหมือนมาผละนะครับเดินจงกรมอยู่มีใครเหมือนมาผลกนะครับใครคนนั้นคืออะไร คือความคิดนะครับที่ไม่ตั้งใจหรือความลักคิดกําลังตั้งใจอยู่นะครับใช่ไหมครับความคิดตรงนี้จู่โจมมาใช่ไหมครับท่านก็สังเกตนะครับสังเกตเห็นวันนั้นนั่นคือตรงนี้พอเวลาที่ท่านแนะนํานะครับแนะนำหลวงพ่อคำเขียนใช่ไหมครับท่านก็แนะนําตรงนี้ละเราคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัวท้ารู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนนะรู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ ให้พวกเราเนี่ยนะครับาได้ลองนะครับลองอาศัยความเคลื่อนไหวนะครับที่เราทํากันทั้งวันทั้งวันเนี่ยนะครับลองดูลองจับสังเกตดูนะครับลองจับสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะครับไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยความรู้เนี่ยอยู่นอกตัวหมดเลยนะครับ มีตำราใหม่มามีหนังเรื่องใหม่มานะครับมีสื ot, ่ออันนั้นมีสื่ออันนี้เนี่ยวันนึงวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลากับเรื่องพวกนี้มากเลยแต่เรื่องของเราเองเนี่ยเราไม่ทราบนะครับเรื่องของเราเองเราไม่ทราบประจโนดนะครับท่านเคยพานะครับเด็กนเนี่ ย, นะะยทำอะไรนับการกระพริบตาครับนับการกระพริบตาของตัวเองเนี่ยนะครับ ว่าเอ๊ะห น, นาทีเนี่ยเราก็ปิดตากี่ครัค้งนะครับอย่างนั้นเราลองนะครับลองกลับไปแล้วก็อาจจะลองเอานาฬิกา ม, มาตั้งไว้แล้วก็ลองดูหลวงพ่อก็มั่นใจนะว่าพวกเราก็ไม่สร้างใช่ไหมครับอย่างเนี้ยแล้วก็ปรากฏว่าในการที่ทดลองแบบเนี้ยเนาะปรากฏว่าคนหลายๆคนนะครับก็อาจจะเพิ่งรู้นะครับว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยกระพริบตานาทีละกี่ครั้งนะครับยิ่งกว่า น, นั้นนะครับ บางดีแล้วก็ยังพบว่าอ้อนี่เพื่อนๆ น, นะครับก็ไม่เท่ากับิปตาไม่เท่ากันคนนึงช้าคนนึงเร็วอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ข้อมูลของตัวเราเองเนี่ยเราไม่ทราบข้อมูลของตัวเราเองอันนี้ก็เรียกว่าธรรมชาตินะครับของตัวเราธรรมชาติเฉพาะตัวเรานะครับที่ธรรมชาติเฉพาะตัวเราคนนี้เนี่ยนะครับเฉพาะกายของเราก็ไม่เหมือนคนอื่น บางคนนั่งได้นานบางคนเดินได้นานนะครับอันนั้นนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเรารู้ไหมธรรมชาติของตัวเราเป็นแบบไหนถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของตัวเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะใช้ธรรมชาติของตัวเราเนี่ยได้ถูกต้องขึ้นบางทีเราก็นึกอยากทํานะให้ได้เหมือนอย่างคนอื่นเขาอะไรงเงี้ยใช่ไหมครับแต่นั่นคือธรรมชาติของเรากับธรรมชาติของเขาเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่เหมือนกันเพรวันนั้นนั่นคือตรงนี้นะครับชีวิตของเรานะครับ กายของเราใจของเรานะครับใจเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราฝึกนะครับเราฝึกเราฝึกการรู้สึกตัวใจของเรานะครับก็จะพ้นจากการครอบงำของอารมณ์ต่างๆนะครับได้ตำหนองเดียวกันนะครับกายของเราเนาะจะมีสมรรถนะแค่ไหนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้นะครับบางครั้งนะครับกรรมฐานเนี่ยอาจจะขอให้เราเนี่ยเหมือนกับว่า อย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งไปห้องน้ําตอนช่วงนี้ขอให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเรานั่งตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งลุกไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตรงนั้นตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนนะครับท่านเคยบอกบอกว่าเวลาที่เรานะครับอาจจะอีกสองสำมั่นข้างหน้านะครับพระอาจารย์อาจจะปล่อยให้เราเนี่ยได้เหมือนกับฝึก โดยที่ไม่มีคําสั่งนะครับที่บอกบอกว่าเอาเวลานี้ลุกเดินจงกลมนะเอาเวลานี้ลงนั่งซั่งจังหวะกันนะนั่นนั่นคือถึงเวลานั้นเนี่ยอาจะต้องคอยสังเกตนะครับว่า <c oughs> ไอการอยากลุกของเราเนี่ยมันเป็นการอยากลุกที่ร่างกายเนี่ยมันจําเป็นต้องลุกหรือว่าอยากลุกจากจิตใจที่มันไม่อยากนั่งต่อไปอย่างเงี้ยหรือว่าการเดินจงกลมก็เหมือนกันการจะเปลี่ยนจากการเดินมาเป็นการนั่งเนี่ย มันเป็นเพราะว่าเบื่อที่จะเดินแล้วนะครับไม่อยากที่จะเดินแล้วหรือว่าเราเดินนะครับจนกระทั่งนัง ang, น่งกายเนี่ยเขาขอพักอย่างเงี้ยนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะทราบานะครับธรรมาชาติของตัวเราเองเนี่ยจากการที่เราเพิ่มขีดความอดทนใ้เราอีกนิดนึงนะครับหรือว่าเราลองสังเกตดูตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะอยู่กับกายกับใจนี้เนี่ยแล้วก็จะเอาอาศัยกายนี้ใจนี้เนี่ย ทำกุศลแล้วเราก็จะได้แบบว่าถ้าเกิดว่าใช่ไหมครับเราเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับบางทีนะครับก็ เ, เรียกว่าเราอาจจะเหมือนกับว่ากาเรียกว่าหลุดพ้นนะครับหรือว่าพบความไม่ทุกข์นะครับในชีวิตนี้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการไม่เกิดอีกเนี่ยก็เป็นไปได้ หรือว่าถ้าเกิดว่านะครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับเรื่องอกุศลเนี่ยเรานะครับไม่คล่องแคล้งใช่ไหมครับเราจะมีจิตใจนะครับที่ตั้งมั่นนะครับจิตใจที่มีสตินะครับแล้วก็คอยยั้งนะครับคอยยั้งคิดเราก็จะทําเรื่องกุศลนะครับนั่นนั่นคือถ้าเกิดว่าเราต้องเกิดอีกชาติหน้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องเกิดไปเป็นหูตั้งชาติหน้าก็เราก็จะดีกว่าชาตินี้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับก็ ขอให้ความพยายามของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นความพยายามที่เราจะเหมือนกับหัดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสตินะครับมีสติที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวเราแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะได้ใช้กายใช้ใจนี้เนี่ยเป็นกุศลแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยจะทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีทุกข์ในที่สุดนะครับก็เดี๋ยวพวก <c oughs> เรากลับพ ร, ร้อมกัน